สนาแผ่นที่75าลำดับที่24โดยหลวงพอ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่าณความน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงทําในวันที่หนึ่งพฤษภาคม2 5 5พมีชื่อเรื่องว่าเอาออมระับภัยมาเดือน วันนี้เป็นวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดวันนี้ขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนหกเป็นวันปงผมนะวันนี้นะพระเนนลูกหลานหลวงพ่อเมื่อฉันจังหารเสร็จเรียบร้อยแล้วตามไม่จริงหลวงพ่อก็คิดหน้าคิดหลังเหมือนกันนะคณะทายาิโจมพ่อวัน เกิดของหลวงพ่อกับวันที่27ไม่นานไปหมาดๆนู่นเขาคนทมนต์ไปทางจังหวัดร0อยเอ็ดหลวงพ่อก็คงจะได้เดินทางวันนี้แต่ก็มาทราบข่าวอีกว่าเมื่อวานในท่านพระครูจิตอำเภอบ้านผือวัดอรันยะวาศีอำเภอบ้านผือวัดอรัน ท่านเด่มรณภาพเมื่อวานเนี่บอกแต่ทราบแต่ข่าวๆยังไม่ได้ทราบในรายละเอียดว่าขณะที่ท่านออกเดินบินบามาเราหกล้มก็เลยเช่นคงจะเป็นเสื้นเส้นเลือดแตกในสมองลักษณะอย่างนั้นนะฟังๆดูก็สงข้องรงพยาบาลก็มรณภาพเมื่อวานเนี่ยลถน้ำศพแต่หลวงพ่อเพิ่งทราบตอนเย็นก็เลยไม่ได้ทาอะไรแต่วันนี้คิดว่า เมื่อฉันจังหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้พระเตรียมผ้าไตรหลวงพ่อเขจะเตรียมจตุปัจจัยไปสมทบไปช่วยงานท่านไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันพักพวกเดียวกันออยู่ในเขตแขวงเดียวกันเพรนั้นหลวงพ่อเขาคงจะได้ไปแวะนิดก่อนจึงจะเดินทางต่อไปจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะ พวกลูกหลานก็คงจะทราบว่างานที่หลวงพ่อจะไปคืองานอะไรนะหลวงพ่อจะอ่านให้ฟังนะเป็นงานวันบุรพาจารย์บุรพาจารย์ก็คืออาจารย์เบื้องต้นเป็นครูบาอาจารย์วันบุรพาจารย์ปีห้บแปดก็คงจะเป็นหลวงปู่ศรีมั้งวัดเจดีชัยมงคลตำบลผาน้ำย้อยอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด หนึ่งสามพฤษภาคมห้าแปดแล้วก็เขากาบ ร, รัตนานิมนต์หงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมของวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งตรงกับสิบสี่ค่ำกับวันวนี้แหละนะงพ่อไปถึงตอนเย็นกับองจะมีการแสดงธรรม คงจะมีครูบาอาจารย์พระสงฆ์ศรัทธาญาติโยมคงจะมากอยู่พราลูกศิษย์ลูกศิกษย์ลูกหาของหลวงปู่กองเราก็มากแล้วก็พร้อมกันหลวงปู่ศีหลวงปู่ล่าหลวงตามหาบัวก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นรุ่นสุดท้ายแต่ฟังฟังดูหลวงปู่ล่ากับหลวงปู่ศีเนี่ยกับหลวงปู่ล่าอายุพรรษามากกว่า พันษามากกว่าหลวงปูส่สีน้อยนึงก็เป็นพี่ๆน้องๆคู่ขี้กันอะ่ะแต่บุญบารมีครูบาอาจารย์เหล่านี้ก็มีแต่องค์เป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่ทั้งนั้นหลวงปู่ล่าเนี่ยถ้าจะว่าไปนะครับไม่มากแต่โค้งสุดท้ายของหลวงปู่ล่าก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่หลวงปู่สีเนี่ยท่าน อยู่ในชุมชนรู้สึกว่าศรัทธาญาติโยมของท่านเนี่ยเยอะจริงๆหลวงปู่ศนระีองค์หนึ่งเวลามากราบคารวะองค์หลวงตามหาบัวแต่ละครั้งจนไม่มีที่จะนั่งคนเยอ ะ, อะท่านก็มาเคารพครูบาอาจารย์ท่านในความเคารพหลวงตารู้จัก มักค้นแต่สมัยอยู่กับหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงพ่อเคอยไปในใ น, านามหลานเหลนเป็นในงานวันบุรพาจารย์ที่ท่านจัดขึ้นมาเป็นปีที่58าสิบแนะแล้วหลวงพ่อฉันก็หันเสร็จแล้วคงจะเดินทางจากนั้นก็คงจะไม่มีอะไรคงจะกลับมาวันพุงนี้เพราะวันพุ่ธนี้ก็บ่ายสามโมงนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตร จังหวัดสนนกลนครก็จะเข้ามาวักพักวัดของเรานะพระเนรลูกหลานนะะช่วยกันดูแลทั้งฝ่ายในครัวจัดที่พักพาาัอาศัยให้ลูกหลานนักศึกษาด้วยประมาณสัก40หรื 50, อ50หลวงพ่อก็มัจำไม่ชัดนะหลวงพ่อก็คงจะกลับมาจากที่นู่นะตอนไปบ่ายเย็นๆถ้ามีมีถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรนะคงจะมาวันพรุ่งนี้ น, น, น, นี่แห ล, ละภาระทุรละของหลวงพอ่อลูกหลานศรัทธาญาติโยมพอฉันจังหารเสร็จนั้นก็จะไปงานของหลวงพระคูจิตสะก่อนที่ท่านมรณภาพ น, ะนี่ละชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายที่พวกเราพูดกันแล้วก็จะมาพูดเกี่ยวกับ น, นู้นอีกประเทศเนปาลอีก เมืองของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประสูตรนะกาดมันดุอะไรประเทศเนปาลอันนั้นโอ้โหตายจะเหยียบหมื่นเอาเหมือนกันหลายพันโอ้ทำไมแผ่นดินพิโรดละเกินแต่หลวงพ่อก็เคยไปนะไปถึงรุมพินีก็คือที่พระพุทธเจ้าประสูตรนะในระหว่างกรุงกบินละพัดกับกรุงวิเทหะนาง นางสิริมหามายาพระมารดาของพระพุทธเจ้าประสูตภพระพุทธองค์ในระหว่างทางในระหว่างสงเมืองหลวงพ่อก็เคยได้ไปกราบนะไปกราบที่พระพุทธเจ้าตรัสรที่พระพุทธเจ้าประสูตุที่พระพุทธเจ้ า, าเกิดพนะูดง่ายๆเขเป็นแหล่งที่ผู้คนทั้งหลายก็หลั่งหลายเข้าไปปยาธรรมโสมกราช ท่านปักเสาหินก็มีรูปสิงโตหัวสิงโตอยู่ที่โคนปลายเสาคือจุดไหนที่จำเป็นสำคัญในหลักใน พ, พุทธศาสนาพระยาธรรมโสกราชท่านจะปักเสาเสาหินเอาไว้เป็นเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดนะหลวงพ่ อ, อมีประโยชน์จริงๆคิดไกลนะคนที่คิดไกล มาถึงพวกเราพวกเราก็ยังยกย่องเชิดชูบูชาคนที่ตายสายตาสั้นๆคิดสั้นๆมิแต่จะเอาเข้าตัวเองไม่เห็นแก่ใครนะ น, นั่นะน่าตำหนินะจะเป็นใครข็าตามนะน่าตำหนิไม่คิดไกลอ้คิดอะไรต้องคิดไกลๆคิดให้กว้างขวางนี่เพราะว่าโลกไปนี่มันไม่ใช่แต่ของเราไม่ใช่จะยุคของเรายุคเดียวเราก็ควงจะวาง ให้ต่อไปภายภาคหน้าเห็นแก่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าถ้าคนคิดไกลยอย่างนั้นโลกทั้งโลกก็ร่มเย็นเป็นสุขนะถ้าว่าคิดใกล้ๆนะ่มีแต่นั่นนะมีแต่อะไรก็มีแต่จะฟัดจะเวียงก็มีแต่จะแจ้งจะชิงกันมีแต่เอาชนะเขาอย่างเดียวเพราะไม่คิดไกลนะคิดไกลๆนั้นขอให้พวกเราศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะ อย่างประเทศอินเดียเนปานอย่างที่ว่าน่ยถ้าพวกเราเบริจาคหลวงพ่อขอเห็นด้วยนะการบริจาคแต่เราต้องดูซะก่อนการที่จะบริจาคไม่ใช่ว่าเขาประกาศมาแบมือแล้วก็ให้ไปเลยเขาไม่ใช่เหมือนกันนะเราต้องดูซะก่อนว่าจะถึงเขาไหมเพราะทุกวันในมิตรฉาชีพในทางนี้ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันแต่ตามไม่จริงถ้าว่าทํา ถึงพี่น้องประชาชนชาวเนปาลได้ก็ดีเพราะเหตุไรเพราะต้นตระกูลของพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าเกิดที่เมืองนั้นแต่ทําไมแผ่นดินจึงพิโรดถึงขนาดนั้นห <c oughs> นักนั้นเหมือนกันะทําไมแผ่นดินตรงนั้นทําไมมันเปลือกโลกตรงนั้นทําไมมันเลื่อนลุ่นแรงถึงขนาดนั้นฆ <c oughs> ่าคนจะมากมาย ถ้แจ่ว่าไปแล้วก็คือกรรมนั่นแหละกรรมคือการกระทํากรรมทํากรรมไม่ไอยไม่ดีคงหจดถล่มอะไรไปปกไปปิดสัตว์มั้งมันก็หลายๆแนวมันกันนะลูกหลานนะกรรมการกระทําของคนนะอย่างประเทศไทยของเราเนะนี่ยนัพอโชคดีนะหลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกนับพอโชคดีเมืองไทยของเรา ที่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มงคล38นะแ่ท่านว่าปฏิรูประเทสวาโซจะปุเพจักตะปุญญาตาอัตตสัมมาปณิธิจะเอตัมมังขรารมุตตัมมังปฏิรูประเทสวาโซจะนะพวกเรามีบุญจึงได้มาเกิดในประเทศที่ไม่มีภัยไม่มีพิษภัยน้ำท่วมก็ไม่มาก ฝนแรงก็ไม่ถึงมากพายุไฟปา่าก็ไม่ได้เบียดเบียนพวกเราเท่าไหร่พวกเราอยู่คล้ายๆว่าถึงจะทุกข์ยากลาบากก็ไม่มีภัยธรรมชาติเหล่านั้นมาฆ่าพวกเราแต่บางแห่งมันหนาวก็หนาวจัดจนคนไม่มีที่จะอยู่อาศัยตายถ้าร้อนก็ร้อนจัดจนไม่รู้จะอยู่ยังไง น้ำก็ไม่มีคนก็ตายแล้วก็ฝนก็ไม่มีอีกวางครั้งจะไม่รู้จะทำอาหารยังไงเพราะไม่มีฝนเมืองไทยของเราไม่ถึงขานาดนั้นอุดมสมบูรณ์พอสมควรแต่คนที่ทุกข์ยากลำบากคือคนไม่ขนขวายมากกว่าถ้าเป็นผู้ขนขวายท ำ, ท, ำาทำงานทการทำงานทำมาค้าขายและเขรู้จักเก็บ รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใชนะ้พอเราอยู่ที่ไหนก็พออยู่พอเป็นพอไปการรู้จักหานะการหาแล้วการู้จักเก็บการเก็บเก็บเพื่ออะไรแล้วก็การใช้ก็ใช้พอประมาณไม่ใช่มีอะไรก็ใช้แบบหลับหูหลับตาอิรุยชุยแช่กามหวานไปเรื่อยคิดว่ามันจะหมดไม่เป็นไอ้คราวที่มันมีนะ่ะมันใช่มันมีไอ้ตาคราวที่มันจนน่ะ มันจนนะมันจนจนลงจนลงนะเพราะนั้นให้พวกเราคณะชาติญาติโยมลูกหลานทุกคนนะมาอยู่มาเกิดอยู่ในโลกนี้อย่าตั้งอยู่ในความประมาททุกอย่างทุกอย่างข้าวของชีวิตนะพวกเราต้องคิดให้ดีทั้งนั้นการที่จะทำมาค้าขายการที่จะเป็นอยู่การที่จะจับใจ่ายใช้สอยการที่จะเป็นอยู่วางตัวอย่างไรล้วนแล้วแต่ให้ร ะ, ะ, ะวยงระวัง ด้วยสติด้วยปัญญาของเราทั้งนั้นแหละถ้าพวกเราอยู่ด้วยความระมัดระวังอ่ก็อยู่ได้อยู่ด้วยความสุขสุขตามอัตภาพนะไม่ใช่ว่าสุขสุขจริงๆไม่ใช่นะอ่มันโลกมันหาความสุขจริงๆไม่ได้แนละ้วแก่เจ็บตา ย, ยคอยเราอยู่แต่สุขตามอัตภาพที่โลกของเขาเนะี่ยอันนี้ก็คือปฏิปลูประเทศวะโซจา เกิดในประเทศอันสมควรไม่ดินฟ้าอากาศไม่ไม่ฆ่าเราอย่างที่ประเทศเนปาลอย่างที่ว่าแผ่นดินไม่ไ ม, ไม่ไม่ถลม่มไม่แผ่นดินไม่ไหวไม่แล้วฟ้าฝนก็ไม่แห้งไม่แรงไม่ฆ่าไม่ท่วมมากจนเกินไปแต่ปีห้าสี่นะั่่ที่น้ำท่วมปีนั้น ปี น, นั้นรู้สึกว่าทารุณพอสมควรแต่ทารุณในปีนั้นถ้าคิดดูให้ดีแล้วก่น่นเียคนเองทําให้คนน้ํามันจะไหลลงไปทางต่ําไปกัน้นมันไว้ไม่ให้มันไปปิดเกลือนไว้กั้นไว้มันก็ท่วมแล้ยสิปิดเกลือนไม่ให้น้ําไหลมันก็ต้องไปที่ไหนทําให้ท่วมอก็ท่วมกระทั่งสนามบินน่มันที่ไหนได้ดอนเมืองดอนเมืองเป็นดอนสูงพอแรงและขนาดนั้นน้ํำยังท่วมได้ แสดงว่าคนทำคนในยุคสมัยนั้นเป็นใครยุคสมัยนั้นในพวกเราสืบสอบดูกันแล้วกันทำไมมันไม่คิดไม่อ่านกันเขื่อนน้ำห้ท่วมคนหลวงพ่อว่านะนี่แหละอันนั้นคือปฏิรู ป, ประเทสวาโซ จ, จากปุเพจักตะปุญญาตาที่พวกเราได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทย ถ้าว่าพูดตามหลักมงคลสามสิบแปแล้วก็พวกเราได้ทําบุญไว้ในอดีตนะคณ ะ, ะสัตยาธิโยมลูกหลานนะคงจะได้ทําบุญไว้ในอดีตแต่ชาตินะเออผู้ฆ่าเกิดพบใดชาติใดก็ดีถ้าไม่ถ้ายังเวียนไหว้ตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารในสถานที่ข้าพเจ้าเกิดก็ขอให้ข้าไปเจิดเจ้าเกิดในสถานที่อุดมสมบูรณ์ ดีดฟ้าอากาศ่าได้ธรรมชาติจได้ลังแกทุกทรมานจนเกินไปและก็ขอให้ได้พบพระพุทธศาสนาให้พบคนมีศีลมีธรรมมีกัลยาณมิตรที่ดีในสถานที่ข้าพระเจ้าเกิดอย่าไปเกิดในกับภาละชนเกิดในยุคถึกสงครามนะผู้ข่าเกิดในภพใดชาติใดจนกว่าผู้ค่าจะพ้นจากทุกในวัฏฏสงสาร เราคงจะปรารถนาอย่างนั้นกัมังนะนั้นมาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยจากนั้นก็พระมหากษัตริย์พระเจ้าแผ่นดินก็เป็นาศาสนาประถมพกเป็นาศาสนาประถมใครเขว่าเป็นผู้อรปถมประถารพระพุทธศาสนาแล้วก็พระพุทธศาสนาสอนให้พวกเราให้รู้จักพระคุณคุณงามความดีรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรไม่ควร เแล้วก็สอนว่าทำคุณงามความดีตายแล้วไม่ศูญตายแล้วเกิดอีกวิญญาณของเราเนี่ยจะต้องไปเกิดอีกหน้าเยอันนี้พวกเราปรารถนาในอดีตชาตินะ่ะจะได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยจากนั้น อ, นอาหารการบริโภคก่อนพอเป็นพอไปถึงจะทุกข์ยากลําลบากไม่มีเงินใช้แต่อาหารการกินกับพอเป็นพอไปไม่หิวโหวยเหมือนกับต่างประเทศที่พวกเราเห็น เนอที่เขาถ่ายรูปมาให้เราดูนะหัวโตโ ต, ตท้องใหญ่ๆขารีบๆเีแปลว่าเป็นประเทศที่กันดานกันดานอย่างมากๆอาหารการเป็นอยู่ทุ ก, ท ก, ทกอย่างแล้วก็ตัวดำอีกต่างหากนะถ้ า, าว่าพวกเราไปเกิดณสถานที่แห่งนั้นอย่างนั้นแปลว่าเรากำชั่วเราพาไปเกิดแต่นี่พวกเรากรรมดีพามาเกิด มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยอย่าว่าปุบเพจะกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิเทคล้ายๆเมื่อเรามาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยมาเกิดในสถานที่แห่งนี้เดี๋ยพบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบศีลพบธรรมทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอะนะถ้าว่าพวกเราเกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้ใส่ใจสนใจไม่เชื่อ ในหลักธรรมคําสอนอีกประพฤติตนเป็นคนชั่วอีกไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอีกสิ่งไหนที่มันชั่วขนเข้าตนเองหมดทั้งเหล่าทางยาทั้งสุรานารีพาชีกิฬาบัตรการพานันอบายมุกทกอย่างสิ่งที่มันชั่วขนเข้ามาหาตนเอง เ, อเรื่องศีลธรรมจริยธรรมคุณงามความดีไม่ได้สนนะแปลว่าเราเกิดมาในพื้นแผ่นดิน ที่อุดมสมบูรณ์ปฏิรูประเทสว่าโซจะแล้วเ อ, อปุเพจะเราก็ได้ทำกรรมมาแล้วในอนดีตจะมาเกิดยนงไงแต่เราทําตนไม่ดีอัตตะสมาปณิธินะี่คือทําตนไม่ไ ม, ไม่ชอบทําตนไม่ไมถูกต้องวางตัวไม่ถูก อ, อสิ่งที่มันดีไม่ทําทําสิ่งที่มันเลวนะ อ, อสิ่งที่มันเลวขนเข้ามาหาตัวเองสิ่งที่มันเลวนะเยเมื่อมันเลวเข้ามานะ อ, อพอตายจากชาตินี้ก็ไปและท่าน อาจจะไปเกิดกับพวกนั่นแหะพวกขาบรีบๆท้องโตๆหัวใหญ่ๆน่ะอาจจะไปเกิดในกับคนกลุ่มนั้นเพราะอะไรเพราะตัวเองกรรมทำกรรมไม่ดีเอาไว้เกิดในที่ดีแล้วไม่ทาไม่สร้างบุญสร้างกุศลไม่สร้างคุณงามความดีไม่ชอบดีไม่รักดีพูดง่ายๆในเมื่อไม่รักดีก็เอาไปส่งไปเกิดในในตรงนั้นซะไงกรรมเขาก็ผลักดันไปเกิดใน ในถินนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะเกิดมาในหลักพระพุทธศาสนาแล้วท่านว่าไมา่ตายและไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกแน่นะออยากจะรู้อยากที่หลวงพ่อเคยพูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าให้นั่งภาวนานะเมื่อเรานั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจผ่านความสงบเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องไม่ต้องถามใครอนะเพราะใจของเรา จิตสงบแล้วนะรู้ได้เลยโอ้จิตใจถูกนี่มันเด่นจริงๆนะร่างกายกับใจเห็นได้ชัดเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทายาโยมลูกหลานเนอะให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลไม่ถึงไม่รู้ว่ันไหนละชีวิตของพวกเราโ ร, โรยไปเรื่อยๆไม่ได้เลือกว่าพระไม่ได้เลือกว่ายมโยมก็เผากันแต่ละวันก็ไม่เว้น ถ้าเราไปอยู่ในเมืองเราจะรู้ถ้าเราไปอยู่ในโรงพยาบาลที่คนไปป่วยมากๆเราจะรู้ว่าตายยังไงพระก็เหมือนกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดหลวงพ่อจิตนี่ก็แก่กว่าหลวงพ่อปีหนึ่งอายุของท่านแต่พรรษาของท่านท่านบวชหลังหลวงพ่อปีนึองสรุปแล้ก็คือท่านเจ็ดสิบเอ็ดจะย่างเจ็ดสิบสองนะแต่พรรษาของอประมาณ 49เกือบ5้าหลงพ่อห้าิแล้วนะทองสี่สนบพรรษานี่แหละไม่ได้เลือกพระเลือกเจ้าแล้วเลือกมรณะภัยเพราะนั้นหลวงพ่อจึงบอกกล่าวสั่งสอนลูกหลานทุกคนเตือนทั้งตนเองด้วยเตือนทั้งลูกทั้งหลานด้วยพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเน้อการสสแสวงหาทรัพย์ก่าใช้ให้เก็บให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ ทางด้านจิตใจก็ให้หาธรรมให้หาบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจอันนี้ก็อย่าอย่าละเลยเพราะว่าในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาแลตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนสิ่งที่ไปเกิดนั่นคือวิญญาณคือใจคือตัวผู้รู้คือนา ม, มธรรมตัวนั้นแหละตัวสําคัญในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วท่านให้ความสําคัญตัวที่มองไม่เห็นมากกว่า มากกว่าร่างกายนะเลยหลวงพ่อยกเขียเราเอย่างมนโนปุพังใหญ่เป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเอให้สั่งสมบุญกุศลสรุปแล้วอ่อตอนนี้ไปวันนี้หลวงพอก็ให้แนวความคิดส่วนหนึ่งคือเตือนมรณภัยไม่ว่าพระไม่ว่าครูบาอาจารย์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอย่างาทําบุญวัน บุรพาจาร์ห้าสิบแปดปีเนี่ยนะพวกเราคิดดูสิคําว่าบุรพาจาร์คานี้เนะี่ยมีองค์ไหนบ้างที่เป็นสุดสิทธสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่เทศก็ไปแล้วหลวงปู่อ่อนก็ไปแล้วหลวงปู่ฟันก็ไปแล้วหลวงปู่ขาวก็ไปแล้วหลวงปู่แหวนหลวงตาหลวงปูล่ลาบโอ้ไล่เลียงไปนะถ้าไม่ไล่ก็ไม่ไล่เลียงกับพวกเราก็คงไม่รู้นะ แต่พอไล่เลียงไปแล้วโอ้บุรพาจาร์ของพวกเราในยุคสมัยนี้ก็อโร่งรยไปตามอายุสังขารแต่หลวงพ่ออินล่ะคงไม่ไปนะั่งคงจะไม่ไปอย่างนั้นบ้างโอ้โหหลวงพ่ออินน่ยืมวันอยู่เหมือนกันนะ่ะลูกหลานนะเลยกูบายจาร์พาไปขนาดนั้นแหละตัวเองจะไม่ไปได้ยังไงเพราะนั้นหลวงพ่อเองจริงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเนะี่ย ใครอยากจะเด่นใครอยากจะดังผักหลังให้ไปแล้วไปให้ป hey, เป็นเด่นไปดังหนะ่อยแต่หลวงพ่ออินจะอยู่อย่างนี้อคอยวันตายให้ไม่รู้ว่าวันไหนเราจะตายหายใจหายใจไม่เข้าแล้วก็ใช่ละ่ะหายใจไม่ออกแล้วก็ใช่ละอหลวงพ่ออินจะตายหายใจไม่เข้าหายใจไม่ออกนั้นนต่เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงนั่งภาอนาดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออก ชีวิตของหลวงพ่ออยู่ที่ลมหายใจใช่ไหมที่ไปอย่างนั้นกันนะไปในงานอย่างนี้ไปแสดงธรรมบ้างไปแสดงความคิดเห็นาอันนั้นคือพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ไปไม่เกี่ยวเรื่องกันทีเลยเสียเลยพระพุทธศาสนาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็หมดไปเพราะฉะนั้นไปไปด้วยความสมัครใจร้อยเปอร์เซ็นไหมหลวงพ่อไม่ควรจะคิดอย่างนั้นอีกเหมือนกัน จะฟ ja e e pues ูดเครืองจนไม่อยากจะไปเลยอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นน่ะเอแต่ขนาดขนาดไหนหลวงพ่อน่ะขนาดจูงหมาใส่ฝนไปขนาดนั้นแ่ะเวลาฝนตกพวกเราจูงหมาใส่ฝนลองลองหน่นะหลวงพ่อเองไปในงานต่างๆลักษณะอย่างนั้นแหละลูกหลานเนี่ยเอารับพรในต้นี้นะประสงค์จ้าหนุโมทนาให้พร